รวมวัคที่มีในปาจิติยกัน 1. มุสาวาทวัคหมวดว่าด้วยการกล่าวเท็จ 2. ภูตะคามวร w a หมวดว่าด้วยภูตคาม 3. โอวาทวัคหมวดว่าด้วยโอวาท 4. โภชนะวัคหมวดว่าด้วยโภชนะ 5. อาจเจและกาวัค หมวดว่าด้วยนักบวชเปลือย 6. สุราปานวักหมวดว่าด้วยการดื่มสุรา 7. จ็ดสัปปานกัวักหมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิต 8. สหธรรมมิกกวักหมวดว่าด้วยผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรม 9. ราชาวักหมวดว่าด้วยพระราชา